สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนักถ่ากรรขนชอบเล่าวันนี้ก็มาตามคําแนะนําของท่านสมาชิกนะครับที่อยากจะฟังเรื่องเกี่ยวกับเสือสมิงแต่เรื่องนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเคยฟังกันหรื อ, อยังนะครับพอดีผมได้ข้อมูลที่แชร์มาโดยคุณอาร์ตยามาฮ่าที่เกี่ยวกับวิชาเสือเย็นเสือสมิงยังไงถ้าหาว่าเคยฟังกันแล้วก็ต้องขออภัยนะครับลองฟังกันดูครับนับตั้งแต่ในยุคโบราณการที่ผ่านมากล่าวคือจะมีเสือร้ายออกมาหากิน กินทั้งสัตว์สองเท้าและสี่เท้าเป็นว่าเล่นแต่ก็เพียงเพื่อประทางชีวิตเย่ยงสัตว์ป่าเป็นปกติวิสัยแต่ก็ยังมีเสือร้ายอีกจําพวกหนึ่งซึ่งกินคนด้วยอาจจะเป็นด้วยความขนองคึกคิดกินสัตว์ไม่เลือกเพื่อดับความหิวกระหายเลือดจึงต้องมีการปราบปรามฆ่าให้สิ้นเสียแม้นว่าจะปราบด้วยการฆ่าก็ลําบากจะจับเป็นก็นลําบากซะยิ่งกว่าแม้แต่พรานผู้ชํานาญไพร่ด้วยกันยังกล่าวว่ายากแล้ว และก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากยิ่งสําหรับคนธรรมดาที่จะสามารถทําได้หากหมายถึงเสือร้ายที่มาจากคนจึงเป็นเหตุให้มีผู้เขียนตํารา ข, ขึ้นมาถึงวิธีปราบและกํำราบเสือนั้นเมื่อครั้งโบราณก็มีวิธีปราบไว้เป็นเบื้องต้นแต่กลับมาสับสนในภายหลังที่ว่าสับสนคือการตีความทําตามด้วยเป็นยาของคนธรรมดาทั้งคนที่เรียนรู้วิชาและเรียนรู้อวิชชาต่างก็ขยายความตามแบบของแต่ละฝ่ายพวกเราทั้งหลายต่าง ท, งทราบกันดีว่า เสือเป็นสัตว์ที่ดุร้ายน่าเกรงขามและดูยิ่งใหญ่ควบคู่กับสิงโตเราทราบกันดีว่าสิงโตคือเจ้าป่าเสือคือเจ้าภูเขาดังคําที่เปรียบเปรย์ว่าสิงเหนือเสือใต้และด้วยเหตุนี้เองบบราณครูบาอาจารย์ทั้งหลายจึงได้นําพลังอันน่ากลัวอันน่าเกรงขามของสัตว์ที่ชื่อว่าเสือนํามาใช้เพื่อที่จะได้มีคนเคารพยำเกรงในอํานาจบารมีด้วยเหตุแห่งมูนนี้เองจึงทําให้เกิดสิ่งหนึ่งที่น่าสะพรึงกลัวขึ้น เป็นเรื่องธรรมดาของโลกไม่ว่าสิ่งใดที่ให้คุณสิ่งนั้นก็ย่อมมีโทษเหมือนกันยิ่งถ้าให้คุณอนันตน์ด้วยแล้วย่อมมีโทษมหันไสยศาสตร์ขแขนงนี้มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณหลายแห่งตั้งแต่ขอมขเขมรล้านนาก็ล้ว น, น, นมีเสือกันอยู่แล้ววิชาเสือนี้ถ้าจะกล่าวให้ชัดเจนในทางภาคเหนือชาวล้านนาจะเรียกไสยศาสตร์นี้ว่าสิปะกุลไสยะหรือสัพพคุณไสยะ ซึ่งมีด้วยกัน10บประการคืออำนาจบารมีสีเดชะนิยมสเสนอหาขามหรือคงกระพันต้องการรักษาแก้คุณเป็นหลักและยังจำแนกย่อยได้สรรพคุณต่างๆอีกมาก1ิบประคุณไสยะนั้นมีคุณไสยอย่างหนึ่งอันทรมาจากเสือบุราณจานได้คิดค้นนำเสือมาทำเป็นไสยศาสตร์มีทั้งรูปยันคาถาอาคมและวิชาอื่นๆอีกมากมาย เช่นคาถาเสือโคร่งกับยันเสือโคร่งคาถาเสือผูดยันเสือผูดคาถาเสือเพ่นยันเสือเพ่นคาถาเสือเหลียวหลังยันเสือเหลียวหลังคาถาพยาเสือคาถาพยักคำรามและยันมากมายที่เกี่ยวกับเสือยันเสือคู่ยันเสือคาบดาบยันเสือหัวขาดแต่ก็ยังมีวิชาจําพวกหนึ่งมาแต่โบราณของล้านนาโดยเฉพาะคือปอดอันหมายถึงที่อยู่อาศัยของสัตว์เช่นกบเข้าปอด แปลว่ากบเข้าจําศิลและปอดนี่เองถ้าใช้กับสัตว์อื่นจะแปลว่าถ้าแต่อีกในหนึ่งคําว่าปอดก็หมายถึงส่วนภาคและเป็นที่มาของเสือปอดเมื่อครูบาอาจารย์คิดค้นวิชาเสือปอดนี้ขึ้นมาได้ก็มีวิชาเสือหัวอ่างเสือสองหางมูลเหตุแห่งเสือเย็นนอกจากวิชานี้แล้วทุกวิชาเสือก็เป็นมูลแห่งการทําให้เกิดคําว่าเสือสมิงได้เช่นกันแต่ในที่นี้ขอกล่าวถึงวิชาเสือปอดเพราะมีความใกล้เคียงกับเสือเย็นมากที่สุด วิชาเสือปอดมีตั้งแต่เสือปอดเสือสามปอดเสือเจ็ดปอดและเสือหัวอ่างก่อนอื่นเสือหัวอ่างเป็นวิชาเสือหัวคนดังรูปยันเสือที่มีหัวเป็นคนและรูปยันที่มีหัวเป็นเสือตัวเป็นคนส่วนเสือเจ็ดปอดคือเสือเจ็ดถ้ำหรือเสือเจ็ส่วนแบ่งเป็น7ส่วนมีวงกลมอักษรเลขกำกับทั้ง7ดวงคือส่วนหัว1วงส่วนอก1วงส่วนหาง1วง เท้าหน้าซ้าย1วงเท้าหน้าขวา1วงเท้าหลังซ้าย1วงและเท้าหลังขวา1วงเป็นรูปยันที่สักตามร่างกายโดยมีวิธีสักที่แปลกพิสดารกว่าสักด้วยวิธีอื่นเสือเจ็ดปอดนั้นมีวิธีสักโดยอาจารย์ผู้จะสักจะกําหนดวันเดือนเสี้ยววันเดือนเพนวันเดือนดับและแต่ว่าใครจะเหมาะกับจริตไหนจากนั้นก็กําหนดร่างเสือเจ็ดภาคโดยแบ่งเสือเป็น7ส่วนมีดังข้างต้นว่าเท้าทั้ง4ี่หางหนึ่งอกหนึ่งหัวหนึ่ง สักเวียนจากเท้าหลังขวามาเท้าหลังซ้ายเท้าหน้าขวามาเท้าหน้าซ้ายจนมาถึงอกสักเป็นตัวเสือสักหางใส่แล้วก็ต่อเข้ากับหัวจนสมบูรณ์เป็นเสือเมื่อสักวงแรกเสร็จอาจารย์จะตั้งขันและครอบหัวเสือหรือไม่กระห่มหนังเสือก่อนจึงจะสักโดยขันจะมีผ้าขาวแทนครูตามผ้าแดงแทนครูที่มีชีวิตผ้าดำแทนสิบ ป, ประคุณไสย โดยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเนื้อสดสดมัดด้วยตอกไม้ไผ่แขวนไว้บนคือบ้านตรงหน้าประลัมพิธีที่จะสักเมื่อสักส่วนหนึ่งเสร็จหนึ่งวงก็ปลุกให้ตื่นกระโดดงับเนื้อสดบนคือบ้านเมื่อกินจนหมดก็ให้อาบน้ำเจ็บ่อจากนั้นคือเสร็จวันแรกแล้วก็รอวันต่อไปเพื่อสักอีก1ส่วนอีกวงจนกว่าจะครบทั้ง7ส่วนโดยการทําแบบเดิมและเมื่อได้รับการสักเสร็จแล้วก็จะมีกฎเหล็กอยู่3ข้อคือไม่เหยิยบที่ต่ําไม่ข้ามที่สูง ไมกินเล่าซากหมากเหลืออาบน้ำเจ็ดบ่อในวันเดือนดับถ้าไม่ทําจะผิดคําครูตบัดสัตว์และของก็จะเข้าตัวจนกลายเป็นเสือเย็นในที่สุดกล่าวคือผู้ที่มีวิชาเสือจําพวกที่สามารถแปลงเป็นเสือได้ในยามเดือนเพลหรือเดือนดับแต่กระนั้นเสือเย็นก็คือเสือที่มีความเป็นคนสามารถกลายร่างเป็นเสือได้เป็นมนุษย์ได้ควบคุมได้แต่มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเสือสมิง เสมิงนั้นคือคนที่สามารถกลายร่างเป็นเสือแต่ไม่สามารถควบคุมได้เสือเย็นจะไม่กินเนื้อมนุษย์แตกต่างกับเสมิงซึ่งกินเนื้อมนุษย์และด้วยความที่เข้าใจกันว่าเสือเย็นคือเสือเสมิงมาตั้งแต่โบราณกาลเพราะไม่สามารถแยกให้ชัดเจนได้จึงได้เรียกกันมาอย่างนั้นว่าเสือเย็นก็คือเสือเสมิงเสือเสมิงก็คือมนุษย์ที่กลายร่างเป็นเสือดุร้ายเกิดจากการเรียนวิชาอาคมเสือจนไม่สามารถควบคุมได้เกิดจากการทำผิดคำครูไม่สามารถรักษาวาจาศัตย์ ทำฝืนข้อห้ามกินเหล้าซากหมากเหลือถ้าขยายความก็คือกินเหล้าจากแก้วคนอื่นกินหมากที่ไม่ได้เด็ดปลายกินหมากที่รอดใช้ผ้านุ่งพ้สิ้นของผู้หญิงส่วนข้อเหยียบที่ต่ําข้ามที่สูงขยายความว่าดูหมิ่นผู้อื่นข้ามผัวครูอาจารย์ไม่เคารพครูอาจารย์สิทธิคิดล้างครูอย่างนี้ท่านว่าของแตกเสื่อมสิ้นไปทั้งการฆ่าสัตว์เบียดบินชีวิตผู้อื่นโดยเบื้องสุดโดยไม่ได้มีบิบากกรรมผูกพันการลักในพระสถานสมบัติทั้งราชหลวง การผิดประเวณีในลูกเมียของชาวบ้านการมุสาวาดในวาจาต่อครูอาจารย์และพ่อแม่และการดื่มเสพสุราอันเกินแต่สติจะคงอยู่ประหนึ่งการเสพสุราเมรัยจนขาดสติสัมปัน ญ, ญ, ญะจนไม่เหลือความเป็นคนหมดสิ้นจริตของมนุษย์มึนเมาในฤทธิ์ของน้ำเมาจนไรสติซึ่งทั้งปวงยามนั้นวิชาทั้งปวงจะเข้ามาสิงสถิต ร, ร่างกายอันเป็นมนุษย์ประการหนึ่ง <K> ผิดวาจาไม่รักษาสัตว์ วิชาเสือที่ครูบาอาจารย์กำกับไว้เสื่อมคลายลงจนของเข้าตัวยามนั้นวิชาทั้งปวงเข้ามาสิงสถิตร่างกายอันเป็นมนุษย์ประการหน่การทิ้งขว้างในวิชาเสือไม่ดูแลรักษาให้คงอยู่ทําให้มนุษ์เสื่อมสรามลงไปยามนั้นวิชาทั้งปวงเข้ามาสิงสถิตร่างกายอันเป็นมนุษย์ประการหน่การหลงผิดคิดขนองนําพองขนลองวิชาเสือด้วยความแรงกล้าไร้ขอบเขตของความเป็นมนุษย์ยามนั้นวิชาทั้งปวงเข้ามาสิงสถิตร่างกายอันเป็นมนุษย์ ประการหนึ่งการท่าสัตว์บันชีวิตมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงโดยคึกขนองใจอันเป็นจริตเห็นสัตว์เดรฉานอันเป็นสัญชาตยาณในวิสัยดุร้ายของเสือย่ำนั้นวิชาทั้งปวงเข้ามาสิงสถิต ร, ร่างกายอันเป็นมนุษย์ประการหนึ่งการสูรร่รู้มิรู้ต้นสายปลายขนของวิชาเสือรู้เท่ามิถึงการเรียนรู้วิชาลอดช่องเรียนรู้มาแต่ตำราเรียนรู้มาแต่วิชาอาจารย์จาลึกมิตรึกว่าจำมาแต่ครูอาจารย์สั่งสอนว่าดังมีสิทธามีครูไหม ทำวิชาเสือโดยตาบอดไม่รู้หนทางที่เป็นลูกยามนั้นวิชาทั้งปวงเข้ามาสิงสถิต ร, ร่างกายอันเป็นมนุษย์ประการหนึ่งการใช้วิชาเสือในทางที่ผิดคิดมิซื่อเจ้าเล่ห์เพทุบายคล้ายว่าเอาไปทําลายผู้อื่นหลบหนีลี้ความผิดคิดเอาไว้กลัน่นแกล้งประกอบทุตอชีวะรับจ้างฆ่าและทําร้ายค้าขายสิ่งชั่วช่อดาบังหลวงตักตวงผลประโยชน์ด้วยคุณแห่งวิชาเสือยามนั้นวิชาทั้งปวงเข้ามาสิงสถิต ร, ร่างกายอันเป็นมนุษย์ ประการหนึ่งการฝึกว่าวิชาเสือจนไม่คิดชีวิตไม่รู้จักเดือนรู้จักตะ ว, วันไม่เห็นดวงดาวและดินฟ้าลืมยาตราลงโทรณีไม่สัมผัสทุลีและหยากหญ้าปรับทานอาหารหิวลืมกินลืมนอนพักผ่อนนิทราสุดท้ายลืมความเป็นมนุษย์ใช้แต่สัญชาติญาณของสัตว์ป่าหากินอย่างเสือในวิชายามนั้นวิชาทั้งปวงเข้ามาสิงสถิตร่างกายอันเป็นมนุษย์ดังที่กล่าวมาทุก ป, ประการเมื่อวิชาได้เข้ามาสิงสถิตในร่างกายแล้ว จะทำให้มนุษย์เปลี่ยนสภาพจิตใจกลายเป็นเสือดุร้ายกระหายเลือดไร้สติสัมปันชญะทั้งปวงขวัญทั้ง32ประการที่ประอาการทวติสามี32กองแห่งรูปขันประกอบด้วยธาตุทั้ง4มีดินน้นําลมไฟแตกออกเป็นรูปขันอื่นร่างกายอันเป็นมนุษย์จึงแปลเป็นสัตว์ดุร้ายมี32ประการทั้งอัตลักษณ์นาเป็นเสือโคร่งลายพาดกลอนตัวใหญ่ควบคุมกายด้วยสัญชาติยานของสัตว์ดุร้ายนักล่ากระหายเลือด หิวโหยแต่ในเนื้อมนุษย์ดังนี้จึงใคร่แต่ฆ่าแกงแต่คนล่ามนุษย์ด้วยกันเป็นอันมากแต่บางครั้งก็ล่าสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กเช่นกันสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์หลายเท้าและสัตว์ไม่มีเท้าแม้เสือป่าและเสือสมิหมด้วยกันก็เข้าโจมตีกัดกันเป็นปกตินิสัยเช่นสิงโตหมาป่าจิ้งจอกนักล่าก็ไม่เว้นเข้าต่อสู้กันโดยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมนุษย์ด้วยความเป็นเสืออันเกิดแต่อาคมความคึกขนองในฤทธิแห่งอาคม ทำให้สัญชาตญาณผุดออกมาจนไม่สามารถระ ง, งับอารมณ์ความคึกขนอง น, นั้นได้สัตว์ป่าทั้งหลายมีลิงลมลิงไล่ช้างบากชนีย่อมจะรู้ว่าเสือตัวใดคือเสือสมิงที่เกิดแต่มนุษย์ที่กลายเป็นเสือสมิงหากมองไปที่สัตว์ ห, ห้อยหัวกันแล้วสัตว์เหล่านั้นจะปลอดภยัยจากเสือสมิงยิ่งนักเสือสมิงส่วนมากจะไม่เข้าสู้กับช้างมากักจะชอบเข็นฆ่าวัวควายกระทิงป่าเสียมากกว่า กวางผาหมูป่าและมั่งเลียงผาเนื้อสลายหากเจอเข้าก็จะถูกพรากชีวิตได้แต่าจะฆ่าด้วยความหิวก็ไม่ใช่ความใคร่ยากก็ไม่เชิงหรือเพียงขนองปากอยู่อย่างนั้นกระหายเลือดแต่กินเพียงน้อยนิดพอประทังความกระหายอยากดังมนุษย์ที่บริโภคเป็น3มื้อใน1วันเสือป่านั้นบริโภคเป็น1มื้อใน3วันเสือสมิงลักษณะแรกเป็นคนมิจริตเป็นเสือไม่มีสติสัมปันชัญญะเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้คู่คำรามดุดเสือโคร่ง คลานไปมาทั้งทรมานกระสืกกระสนแต่หลังไม่ต้องทรณีไม่นอนหงายหลังลงพื้นจะให้อกและท้องไถไปตามพื้นดินเสมากเสียงหายใจฟืดฟ้าสายตาเริ่มจ้องเขม็งไปมาเหมือนระแวงระวังล่าเหยื่อไม่นานนับ ก, การกระพริบตาก็หยุดลงลืมตาตลอดไม่ข ย, ยับเปลือกตาพอได้ขณะหนึ่งเล็บกลับงอกอกอกมาจากมือยาวขึ้นและแหลมมือที่เรียวยาวกลับผาผายใหญ่เล็บเท้าจิงยาวตามไปเป็นถนัด เข้วสเสน่ห์สองซี่จึงงอกยาวออกมาเขี้วสองซี่ล่างงอกยาวตามกันไปฟันทั้งหลายเปลี่ยนรูปเป็นเขี้ยวแหลมคมทั้งสิ้นทูดทั้งปากพร้อมกัดพร้อมฉีกไม่นานนักหูก็เปลี่ยนรูปเป็นลักษณะหูแมวใหญ่ได้ยินแม้เสียงหัวใจที่เต้นมากมายเสียงกระเพื่อมอกหายใจที่บางเบาก็ได้ยินชัดเจนแม้อยู่ไกลนับสามเขา่าดวดลายพาดกลอนสีแดงเรื่อๆเริ่มปรากฏบนผิวหนังสพังกายแขนขาแข่งเข่าแล้วหลังอกท้องสร้างร่างกายแปลงไป กระดูกสิโครงคล่อมลงทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเป็นลักษณะของสัตว์สีเท้ากล้ามเนื้อทั้งหลายปูดปนลายบนผิวเกิดขึ้นบนหน้าทั้งแก้มซ้ายและขวาหน้าผากไม่นานนักขนก็งอกออกมาเป็นเส้นเป็นสายตามลายพาดกรนขนดํากับกลายเป็นสีใบหน้าจากมนุษย์เปลี่ยนเป็นโครงหน้าหนวดและคิ้วกับกลายเป็นขนสัตว์สีผมเปลี่ยนเป็นเหลืองส้มมีค้าศ ด, ดําเป็นลายเสือเมื่อ น, นั้นเองก็จะมีหางงอกออกมาจากกระดูกก้นกบ สิงค์คำรามครั้งสุดท้ายบ่งบอกถึงหางที่งอกออกมาจนสุดทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเสือโคร่งโดยสมบูรณ์หรือไว้แต่ดวงตาและในตาที่เป็นมนุษย์นั่นหมายถึงความเป็นคนส่วนสุดท้ายหลงเหลืออยู่บนใบหน้าแต่ก็เพียงแค่ซิล ว, วินาทีก่อนในตาแมวจะปรากฏหากซี่ยวจันตาเสือขึ้นมาแทนแสงหิ่งห้อยเมื่อ น, นั้นความเป็นมนุษย์จะหมดไปและกลายเป็นเสือสมิงในที่สุดทั้ง6สัมผัสจะเหมือนเช่นเดียวกับเสือทั่วไปหูไวตาไกลวิ่งเร็วกระโดดสูงมีเขี้ยวเล็บแข็งแรง เมื่อเวลาผ่านไปได้การหนึง่งซื้อสมิงจะกลับกลายเป็นมนุษย์เล็บทั้งหลายขนทั้งหลายจะหายไปกระดูกโครงสร้างร่างกายจะเปลี่ยนเป็นมนุษย์จะเปรียบเทียบได้ดังทารกแรกคลอดที่ผิดแปกแตกต่างออกไปก็คือจากนอนหงายออกมาเป็นคว่ำหน้าคลานสีขาสิ่งที่หดหายไปเป็นอันดับแรกคือหางเสือแล้วก็ตามด้วยหูเสือซึ่งจะหายไปก่อนไปถึงเซลล์ ว, วินาทีที่หูหายไปคิ้วเสือที่แหลมคมกับเล็บเสือก็จะหดหายกลับเป็นมนุษย์ และคนทั้งหลายก็จะหายไปโครงสร้างสันหลังเครื่องในก็แปลเปลี่ยนเป็นของมนุษย์ซะก่อนอันดับสุดท้ายคือในตาของมนุษย์และแสงหิ่งห้อยแห่งความเป็นคนจึงจะทอแสงออกมานั่นแหละคือเสือสมิงที่กลับกลายร่างเป็นคนแล้วไร้ซึ่งพลังอำนาจของเสือเป็นยามที่อ่อนแอที่สุดหากจะฆ่าก็ฆ่าได้ด้วยง่ายการจาแนกแยกเสือป่าออกจากเสือสมิงก็ดังที่บอกไว้ว่าเสือป่าจะกิน1มื้อต่อ3าวัน เสือสมิงนั้นจะกิน3มื้อตอนหนึ่งวันเสือป่าจะซุ่มล่าเหยื่อแล้วฆ่าให้เร็วที่สุดส่วนเสือสมิงนั้นจะไล่ล่าเหยื่อคมคูให้เหยื่อกลัวแล้วก็ฆ่าเสือป่าจะไม่กลัวเสือไฟอาจจะไม่ต่อแยแต่เสือสมิงจะเกรงกลัวเสือไฟและไม่กล้าเข้าใกล้หากต้องประจันหน้ากับเสือไฟเสือสมิงจะหนีไปไม่เหมือนเสือป่าที่จะสู้เสือไฟเพราะแม้เสือสมิงจะขมรามใส่เสือไฟเท่าใดก็ไม่อาจจะข่มเสือไฟได้เสือสมิงจะกินน้อยฆ่ามาก เสือป่านั้นจะกินมากค่าน้อยเสือสมิงชอบพระจันทร์เต็มดวงและพระจันทร์ดับที่สําคัญเสือสมิงจะไม่กระพริบตาการกระพริบตาของเสือสมิงนั้นหมายถึงวิสัยของมนุษย์ที่หลงเหลืออยู่ถ้าแน่ใจว่าเสือสมิงตนใดกระพริบตาก็พอจะเรียกความเป็นมนุษย์กลับมาได้ลักษณะของเสือสมิงดังเบื้องต้นเป็นการพิจารณาโดยง่ายคราใดได้พบพึงสังเกตยอย่างแยบคายในอัตลักษณ์าเสืออสูรประกอบด้วย8ประการคือ หูตั้งหลังชันหางชี้คิ้วกระดิกตาเมกระพิบกางเล็บอ้างเขี้ยวไม่กลัวไฟเป็นต้นเมื่อพิจารณาด้วยความละเอียดขึ้นจมฟังเสียงคำรามของเสือเป็นมนอาคมที่สยบป่าเขาลำนาไพรและสัระศัตรได้เมื่อพิจารณาด้วยจิตอย่างแยบขายแล้วก็จะมองเห็นคนในร่างเสือนั้นเป็นแน่ชัดกําหนดจิตให้นิ่งเป็นอุปปาจารสมาธิมองจ้องในสายตาของเสือตัว น, นั้นหากว่างเปล่านั่นเป็นเสือป่า หากใช้จิตตั้งมั่นในอุปาจารสมาธิมองในตาเสือร้ายพบว่าเป็นคนเห็นตัวตนที่ซ้อนทับนั่นแหละคือเสือสมิงส่วนเรื่องของเสือเย็นนั้นเสือเย็นจะไม่กัดคนแม้มดสักตัวก็จะไม่เหลือ บ, บี้หากจะต่อสู้ก็ไม่ถึงกับชีวิตของอีกฝ่ายเทวดาอารักษ์มักจะมาในรูปนี้ฤษีมีวิชาบ้างหลัในพระเวสสันดรบทหนึ่งที่ว่าตโยเทวะปุตตาส่วนเทพยะเจ้าทั้งสก็อำลาลีลาผาดแผลง จำแรงเป็นพยากไกรสอนราชผาดแผดสิงสนั่นดังสายอัศนีลั่นตลอดป่าที่เทพพญดาแปลงมาเป็นเสือครุง่งเสือเหลืองสิงโตขวางทางนางมัต ส, สีไว้แต่ไม่ได้ทําร้ายแต่อย่างใดคนโบราณว่าหากต้องเดินป่าลางร้ายนิยมใช้อาคมแปลงกายเป็นเสือครุง่งเพื่อป้องกันตัวและคุ้มครองคนอื่นๆแม้พระภิกษุส่งองค์เจ้าเดินทุดงก็มักจะเจอเสือเย็นประเภทนี้ บ่อยครั้งเสือเย็นนี้จากพิพากปกปักรักษาไปตลอดทางหรือให้ผ่านสถานที่อันตรายในกลางป่าได้ที่ใดมีสัตว์ร้ายเป็นอันมากมีเสือเย็นคอยเฝ้าอยู่ก็จะไม่มีพยันอันตรายนี้แกเราได้เสือเย็นนี้หากดูตัวลักษณะแล้วไม่เป็นดังอัตลักษณ์าเสืออสูรประกอบด้วย8 ป, ประการคือหูกระดิกหางแกวง่งคิ้วชี้หลังโค้งตากระพริษหูเล็บยิงเขี้ยวชอบแสงแดดเป็นต้น ดำรชีวิตด้วยน้ำจากทาง น, น้ำธรรมชาติและซอกหลืบหากต้องแปลงกลับเป็นคนก็คือจะมากินผลไม้ป่าแล้วก็แปลงกลับเป็นเสือเย็นหากว่าเป็นเสือเย็นเวลาดื่มน้ำจากลำธารก็จะจุ่มปากลงไปดูดน้ำไม่ใช้ลิ้นเลียเพื่อหอบน้ำเข้าปากไม่มีจริตตามสัญชาติยานก็คือร่างเป็นเสือแต่มีจิตใจเป็นมนุษย์อยู่ครบถ้วนมีสติรู้ทั่วตัวถึงด้วยสัมปันธัญะแห่งความเป็นคนอย่างสมบูรณ์เมื่อพิจารณาด้วยความละเอียดอ่อนขึ้นด้วยความแยบกไาย ใช้จิตที่แน่นิ่งเป็นดุบปาราจา์สมาธิขึ้นไปไตร่ต ร, รองมองดูแล้วจกมีกายมนุษย์ที่ผ่องแผ้วบ้างเป็นเทพยพยดาสว่างสดใสมองเห็นแสงออกมาจากร่างรัศมีสีสดสุดสวัยบ้างบางตนสามารถพูดคุยผ่านจิตโสดได้บ้างหากได้เจอเสือเย็นจําพวกนี้ก็นับว่าท่านนั้นได้พบกับสิ่งที่หาเจอได้ยากยิ่งครับและนี่ก็จบเรื่องราวที่ว่ากันด้วยเรื่องของวิชาเสือเสือเย็นเสือสมิง จากข้อมูลที่คุณอาร์จะบาหา้าหามาให้ผมนะครับและก็หวังว่าคงจะถูกใจคนที่ชอบฟังเรื่องของเสือสมิงไม่มากก็น้อยนะครับและหากการถ่ายทอดไปมีการออกเสียงผิดอย่างไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขครับขอบคุณครับสวัสดีครับ